เสียก็มีดีก็มีล้ว ก, ก็เลือกได้วงใช้ของสายของสอยของอยู่ของกินผ่านจากการเลือกคัดผาเกต A เอเกต B บอะไรต่างๆไม่แต่วัตถุเจีงของพัสดุก่อสร้างประตูหน้าต่างก็ต้องเลือกของปอมมันเยอะ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 นอกจากในกายมันเกิดขึ้นมายังหาสิ่งที่มาให้โผ้่เพื่อนกับมันอีกไปกินโลกไปสบอุรีไปติดใยมาก็พ อ, อ, อายเพราะเราใช้ชีวิตไม่เป็นสิ่งเวทลอมมาค่อยดี<อ>หลายอย่างในโลกนี้ลด<อ>ของโลกก็มีเยอะ ทำให้ติดรถของโลกได้แต่ใช่ไปเป็นสุขสนตวเรามามีสติดูกายมันจะแสดองออกมามันติดอะไร้าที่หลักกรรมไปทำอะไรมาแั้นก็จะติดมันเป็น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 หนื้อน้อมทิ่มเหน้อมบง่งออกอาจจะมีเลือดออกมาบ้างแต่ว่าออ ก, ออ ก, ออกแล้วมันหายกรรมกิเลตวิบากนมันอยู่ตรงไห น, นเหตุมันนะ่ะก็อ ย, อยู่ตรงที่การกระทาอะไรคือการกระทาพอไปสูบเข้าพอไปสูบมันก็เลยติด เพราะติดก็ยิ่อยากจะไปแก้ mat, <z> ความอยากจะไปแก้ความติดไม่ได้ต้องแก้กรรมเรียกว่าแก้กรรมโนมีกรรมมาเราต้องแก่อย่าปล่อยทิ้งไว้ถ้าไม่แก้ไม่มันก็จะลุกลามไปถึงอะไรหลายอย่างเป็นโทษเป็นภัยตลอชีวิตสกปรินจิงเวรโลม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 บางทีอาจจะฉายความลงออกมาไม่หยุดไม่หย่อนทางกายบ้างทางใจบ้างไม่มีอะไรฉายก็ใายออกมาเกิดสังขารป่งแต่งขึ้นมานั่นแหละโอกาสที่เรานาทีทองแล้วจะได้ดูจะได้ฉลาดจะได้แก้นั่นมาให้เราแก้ไม่ใช่หมาเหยื่อแล้ว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 มันเลือกได้ชีวิตมันเลือกได้สิทธิร้อยเปอร์เนตได้มันรู้จักเลือกมันเป็นค น, คนปนกันมากเกินไปเรียกว่าคนจุ ก, ก็มีทุกข์ก็มีลาขก็มีเกียดชัางก็มีที่เกียดขยันก็มีอ๋ออย่ า, ยาเกิดกับจิตกิดใจเกิดกับ ก, บ ก, กบยายมีมา ก, มากปวนกันมา นคนต้องมารู้จากเลือกจะไปสูน่นรกไปทางต่ำมารู้จากเลือกจะเป็นมนุษย์ขึ้นมาไปสูงๆก่นจากตาบายได้ถึงสวรนถึงนิพพานได้ถ้าเลือกอะถ้าไม่เลือกก็ไม่มีทางไปสู่โลกเท่ากับขนโคคน มากไปสู่มรรคผลที่ผ่านเท้ากับเขาของโขอสองอันเท่านั้นเองเทียบเทียบไม่ได้ถ้าเป็นคนน่ะชีวิตรเราจึงต้องเลือกเอมีประโยชน์เรามีพ่อมีแม่มีผัวเมียลูกหลานเชะอะไรต่งตางๆมากมาย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 เราขึ้นมากูจะให้มันบวชคิดไว้แล้วหลางเถียนไว้แล้วขีดเชื่นไว้แล้วเรียนหนังสือจบให้บวชแล้วก็บางทีก็มีโอกาสมาบวชบางทีก็ไม่มีโอกาส <c oughs> ยันพ่อแม่ตายไปก็มีหลางทีโอ้ท้าหผู้เจ็นหลานไม่ใช่ลูก พอเห็นหน้าหลานก็เอาหลานไ ป, ป, นปนอ้างถ้าเป็นหลานชายโอ้ยโตขึ้นมาให้บวชให้มันบวชหากู ด, ด้วยต่อะจะไม่เห็นแล้วให้มันบวชเถอนี่ครับแล้วเยินคําพูดแบบนี้ห น, น้าเลยเป็นเคารพพ่อแม่ต้องเป็นคนดีเอารับพระธรรมทำยังไงก้มหลงอย่าไปอย่าไปเคารพบัณฑ ถ้าหลงเป็นหลงหรือว่าไม่เคารพธรรมไปเคารพความที่เป็นอธรรมถ้ามันหลงอย่าไปเคารพเคารพความไม่หลงมันมีอยู่นี่ตัวสติร้อยเปอร์เซนมีสติจะไม่หลงเเล้วมันทุกมีสิทธิจะไม่ทุกเเล้ ม, ม, มันโกรธมีสิทธิจะไม่โกรธแค่สิทธิของเรา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 เมื่อเราไม่แล้วเราใช่ไหมเป็นไม่มีตราเมื่อดูฟังหยหูต่อเห็นก็เชื่อหูได้ยินก็เชื่ออะไรที่มันสั่งให้ไปก็ไปชอบบ้างไม่ชอบบ้างบางทีของอย่างเดียว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 เอาคิดไปห้อยไปเขีนไม่ตรงไหนชีวิตต้องเป็นชีวิตมันต้องไม่เป็นอะไรมีสิทธิ้งนี่มาหัดอย่เนี่ยมันมีจริงๆริจิต้องหัดให้ได้อยู่ในกายเรานี่อยู่ในใจเรานี้มาเป็นมีตเป็นเพื่อนกั น, นให้มีสิ่งแวดล้อมหลายหลายอย่า ง, างก็ในฟังทําให้ดูอยู่ให้เห็น ไม่เปิดฟังเกินไปไม่พุ่งพลวยเกินไปพออยู่กันได้ทวนที่จะท่าทายกันบ้างแล้วการคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยมานานเหลือเกินแล้วก็ยังเห็นอยู่ที่โลกม้อยยาคนชั่วเยอะแยะอยู่ เ, เราจะอยู่กันยังไง เ, เราต้องมานับหนึ่งจากเราเนี่ย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 คนหนังหลงไปช่วยเขาไม่หลงคนหนึ่งโกรธไปช่วยเขาไม่โกรธคนหนังทุกไปช่วยเขาไม่ทุกอโดยรูปแบบต่างๆในการปฏิบัติเกินมากช่วยกันเรื่องนี้ไม่เคยเป็นคนหนึ่งโกรธคนที่หนึ่งกาโกรธตามคนโกรธก่อนอาจจะไม่เป็นบาปไม่โู่คนโกรธที่หลังอาจจะโง่สองเท่าของคนโกรธก่อน มีมากอาชีวิตไปห้อยไปเฉินไว้อยู่ดีๆเขามาว่าเราก็โกรธแล้วทั้งๆที่เราไม่เป็นไรก็โกรธให้เขาชักภัยเหมือนหนังสมโไทยโัยทายกย่องก็หัวเาะเขาเดินทาก็ลงให้เสี ย, จยใจ ช, ชีวิตมันเป็นอย่างนั้นหรือเปรบางเกินไปต้องเข้มแข็ง ก, กันบ้างในดู่ในโลกเนี่ย <Yeah. S 1> รถของโลกมีเยอะ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 เพียงแต่ยกมือวินาทีลู้ลู้ขึ้นมาฉันทเถอะพอใจมากเร็ครองรองดูตั้งไว้ลองดูนี่คือความเพียรประกอบขึ้นมาสติมันจะเกิดเพราะการประกอบมันชะชิดเอาฝันเอาต้องประกอบเอกกายไปสัมผัส เอาใจผสัมผัสเอาไปต่อเอ า, อเอาช่วยกันมาได้ตัวใครตัวมันเราก็มีกายเราก็มีใจเจ้เท่ากันหมดตามมันลักษณะในความร้อนความหนาวความหิวความปวดความมวยสุขทุกข์เหมือนกันหมดอย่านึอว่าเราคนเดียวแม้แต่พระเจ้าที่ อวดขึ้นในโลกก็ผ่านอย่างนี้ไปอาจจะลําบากกว่าเราในการใช้ยวิตของพระองค์เป็นชาว่าชายสุขุมอรชาติอยู่ก็ประสาทสามฤดูฤดูฝนก็อยู่ลำหนึ่งฤดูหนาวก็อยู่ลำหนึ่งฤดูรด้อนก็ดูหยองหนงเมื่อพระองค์ออกเสอนหาโมก่กตธรรมเนี่ย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 นี่เรีว่าฉันทะพอใจในก็ทําความดีตั้งสติไว้ไวเพื่ อ, อยั่งอกุศลที่จะเพื่อจะป้องกันอกุศลถือพวกไม่ดีทั้งหลายเที่ยงไม่เกิ ด, ไ ม, กดไม่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็ไม่เกิดขึ้นอีกก็มีเท่านี้ต่างแยกมีเท่านี้อกุศลความไม่ดีดอะไรมันไม่ดีดความหลงความ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 หายใจเข้าหายใจออกเนี่ยมันไม่ยากไม่อุปกรณ์ก็จะมาประกอบความเพียรขึ้นมาได้ลองทับโลนกว่ากรรมมาฐานฐานก็ตั้งไว้กรรมคือการกระทาอาศัยกายเป็นฐานเป็นนิมิตตั้งไว้ก่อน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 พอดัดไปดัดไปมาก็อนจึงหัดเอาสติตั้งไว้ที่กายก่อนมันหยาบมันเห็นมันสัมผัสเพื่อนไบเบอร์ก็สัมผัสได้ลู้ถึกตัวดึงด้วยว่าเขย่าถ้าลูบให้มันลูบความลูบนี่มันบางทีก็ต้องเขยา่ากูมันเข้ามากูมันขึ้นมา มันเราปลูกให้มันตื่นลูกมันนอนอยู่เพราะแม่ไปปลูกเพียงแต่ <Okay. S 2> เรียกมันไม่มไม่มไม่ตื่นเอามือไ ป, อาไปลากขามันลงมากระเยาะไปนั่นนะไปไม่บ้านค่อยไม่ได้ต้องลากมันมากระชากามาันล่ากระชากตัวเองขึ้นมานาี่ะเหมือนแม่เลี้ยงลูกสติเหมือนพ่อเหมือนแม่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 จะเป็นผัวเป็นเมียใครได้ให้ในข้อโกรธเลยชาดลองกเทียบ ว, ว่าขม่มหรือชาดมานะกดไว้ไม่พูดในเวลาโกรธสู้กันจะอย่าวว้กันไปอย่าด่วนกันไปอย่ารีบส่วนมากเรามาักจะรีบนะเวลาโกรธรีบด่ดากันอย่างไม่ลาย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 ทำได้ทุกคนปฏิบัติได้ผลได้เปลี่ยนหลงไปไม่หลงใไต่ทางนี้ก่อนถ้าจะเดินตามธรรมพระธรรมไม่ใช่หมกมุ่นคะ้นหานะเปลี่ยนหลงไปไม่หลงต่อไปอันโกรธก็เปลี่ยนง่ายทุกข์ก็เปลี่ยนง่ายโลภก็เปลี่ยนง่า ย, กก ย, ายตัวโลมันคือความหลงถ้าจะเป็นอกุศลสามอย่างคือ หลงอยู่ตรงกลางโกรธอยู่ข้างซ้ายรูภอยู่ข้างขวาหลงอยู่ตรงกลางถ้าหลงก็โกรธได้ถ้าหลงก็โลบได้ถ้าห ล, ล, ลงก็ทุกได้สุกได้ดพอใจพอีคกับสติคู่กันกับคองหลงพอใจเมื่อนกันรอดคู่กับเกียรหนาวคู่กับอุ่น กลางวันคู่กับกังเคืนเกิดคู่กับความเป็นเกิดแก่คู่กับความไป็แก่เจ็จบคู่กับความเปเจบ็บตายคู่กับความเป็ตายมาเป็นคู่ย่อจนมองแบบนี้ชีวิตเราไม่หลงก็ได้ไม่โกรธก็ได้ไม่ทุกข์ก็ได้อยู่ตรงกลางนี่อันกลางไม่ใช่หลงนะกลางคือมรรคที่เราสาที่หย้ายไปเลยทางมาอยู่ตรงนี